พระธรรมเทศนาตอนนี้ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมพนนแสดงพระรธปณะคุณหมออวยที่มาจากกรุงเทพเมื่อวันที่31มีนาคมพศ2 5 8 8ณวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรนธานี ที่เราเล่งฟังเพิดโปษททำใจให้สบายทำความรู้สึกไว้กับใจโดยจะขอคือไม่สนใจหรือคาบเอาไว้ว่าท่านจะเทศอะไรจะเทศเรื่องอะไรบ้าง ไม่ส่งจิตใจมาสู่สถานที่ท่านเทตหรือสู่ท่านผูกเทกแต่ส่งใจเข้าสู่ความรู้สึกของตนเมื่อจิตได้ตั้งอยู่เฉพาะความรู้สึกที่จะรอรับสัมผัสแห่งธรรมนั้น ย่อมเป็นขึ้นในที่นั้นจิตเมื่อได้รับความสัมผัสจากธรรมไม่ขาดระยะความรู้จิตของจิตที่จะสือต่อกับธรรมะก็ไม่ขาดว่าขาดตอนตอนนั้นจิตก็ลืม คิดกับเรื่องภายนอกแล้ว <Guys. S 2> ค uh ่อยมีความสงบขึ้นเป็นลำดับลำดับในขณะที่ฟังเทศเวลานี้เป็นโอกาสอันดีที่บรรดาท่านนักใจบุญทั้งหลายหนึ่งมาเกาะใจนาบุญคุณง่ายๆก็ เี่ครับรามาคิดบัญชีของเราบัญชีในตัวของเราเองลองคิดทางกับติจการงานใดเราก็เลยทำมาพอสมควรแบบนี้เราพยายามจะคิดเรื่องบัญชีภายในตัวของเรา การที่เจอณาดูเรื่องความเป็นมาแห่งอัตภาพร่างกายของเราแน่จะให้สามารถรู้ได้ในอดีตในภาพที่เคยเป็นมาก็ตามเราก็ถือเอาอัตภาพที่ปรากฏอยู่กับตัวของเรานวัดนี้ขึ้นมาพิสูจน์ที่เจอนาถึงความเป็นมาแห่งกาย นับตั้งแต่วันเริ่มแรกมาจนกระทั่งถึงบัตรนีการงานที่ร่างกายต้องจัดต้องทำเป็นประจามาจนถึงวันนี้มีมากเท่าไร่ผลรายได้มีเท่าไรและเสียไปเท่าไร่ต่อจากนี้ไปจะเป็นเวลานานเท่าไร ทีร่างกายของเรานี่จะทำภาระหน้าที่ให้เราได้ตามต้องการเราต้องคิดบัญชีของเราอย่างนเพราะทุกสิ่งในส่วนร่างกายของเรานี้ถ้าเทียบถึงการเดินทางแล้วก็ไม่มีวันดึกถึงเราจะนอน ส่วนหนึ่งร่างกายที่แปรสภาพหรือตามปกติของเขาทุกๆอาการก็ไม่ได้นิ่งนอนดีเหมือนอย่างดียมีความแปรไปอยู่เช่นนั้นแปรไปเป็นลําดับลําดับจนถึงจุดสุดท้ายมีเรื่องของเปลี่ยนร่างกายเป็นเช่นนั้นเมืองอาการของจิต ที่คิดอยู่ภายในตัวเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆก็ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นบ้ำดับเช่นเดียวกันการคิดบัญชีโดยยุธีนี่เป็นเหตที่ให้เราได้ช่างน้ำหนักดูผลประโยชน์ที่เราได้มาแล้วและที่จะ ได้ไปทางหน้ามารวมกันจะได้ประมาณสักเท่าไหร่เป็นเหตุจะมาให้เรานิ่งนอนใจในความเป็นอยู่ของสกลกายเหล่านี้แล้วมีการจะให้เป็นเหตุให้มีการนิ่งเจนขวัขวายเพื่อหาคุณ ง, งามความดีอันเป็นสมบัติของใจ คือจะไปสร้างโลกใหม่ขึ้นมาโลกนี้เป็นเรียกว่าโลกปัจจุบันในแต่ร่างกายของเราโลกที่ผ่านมาแล้วคือทกคือชาติที่เป็นมาแล้วดับศูนย์ไปแล้วแตกสลายไปแล้วนั่นเป็นโลกเก่าอันหนึ่งโลกที่เราปรากฏอยูบัตินี้ในร่างกายของเรามีเป็นโลกปัจจุบันโลกอนาคตที่เราจะไปครองข้างหน้านั้น จะเป็นโรคอะไรเราต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอเตรียมพร้อมทับสมบัติภายในใจเพื่อใจดวงนี้แม้จะทำด้วยกายพูดด้วยวาจาคิดทางใจในทางที่ถูกที่เป็นกุศลก็ต้องเป็นเรื่องเพื่อใจที่สั่งสมทับสมบัติภายในไว้อย่างพร้อมมุ่นในขณะที่ สังขารร่างกายอันเป็นเครื่องมือของเรายัางมีอยู่ซึ่งพอจะดําเนินไปได้เราก็ต้องอาศัยร่างกายอันนี้เป็นเครื่องดาเนินเช่งจะให้ทานดังนี้ก็ต้องอาศัยส่วนร่างกายไป ส, ส่องแสวงหามาไา้ด้วยความมือจิตแล้วให้ทานไปทานได้มาก็ได้ด้วยร่างกาย การแบงเป็นทานก็แบ่งด้วยกายยกให้เป็นทานก็ต้องอาศัยกายนี้เป็นเครื่องมือมีเป็นเครื่องมือสำหรับเราที่จะทำกิจธุระหน้าที่ใดๆร่างกายอันนี้ท่านเรียกว่าขันคือรวมกันอยู่เป็นหมวดเป็นหมู่ เมื่อผสมกันเข้าแล้วท่านให้ชื่อว่าร่างกายหรือว่าสังขารสังขารแปลว่าส่วนผสมไม่ใช่เป็นเอกเทศอยู่เฉพาะตนเองเมื่อเป็นส่วนผสมแล้วก็ย่อมมีความสลายแปรลงไปตามลืมของเขาเราผู้เป็นเจ้าของคือใจซึ่งครองหญิง จึงควรให้มีความสลาดรอบครอบต่อเรื่องของขันจะพาจัดพาทมอะไรในเวลามีจีวิสินพระโลกเกา่าเราก็ผ่านมาแล้วมาถึงโลกปัจจุบันนบัตนี้จากนี้ก็จะไปโลกหน้าคือโลกใหม่ได้จะออกจากล่างนี้แล้วก็จะไปล่างนั้นจะเป็นล่างใดนั้นแล้วแต่อำนาจ ของกรรมที่กายวาจาใจของเราได้สั่งสมเอาไว้ด้วยใจเป็นผู้บ่งการเราอยาให้เสียท้าเสียทีที่ได้ผ่านโลก น, นี้มานานโลกอันนี้ไม่ใช่เป็นโลกที่จะควรสงสัยเพราะเป็นโลกที่เราเคยอยู่เคยหลับเคยนอนเคยไปเคยมา เคยสุเคยคุกได้สิ่งเหล่านี้ได้ผ่านมาด้วยกันทุกคนจึงไม่น่าสงสัยว่าจะเป็นอะไรต่อไปอีกนอกจากจะเป็นเช่นนี้อยู่ตลอดการของเขาเท่านั้นสำคัญที่เราจะพยายามดำเนินตัวของเราให้ก้าวขึ้นอันดับสูงกว่านี้เป็นลำดับไป โดยความขยันหมั่นเพียรหรือโยความเฉียดฉลาดรอบรู้เรื่องความเป็นไปด้วยความเป็นอยู่ของเรานั่นเนี่ยเป็นหลักสาคัญเรื่องของใจแล้วยังไรก็ไม่ตายเพราะเรื่องเกิดกับเรื่องตายเป็นเรื่องของใจ้าตขันที่จะมาผสมกันเข้าเป็นรูปร่างกลางตัวของเราของท่านเป็นขึ้นมาจากใจเป็นหลักสาคัญ เพียงแต่ธาตุสีด่ดินน้ำลมไฟเท่านี้ไม่มีความรู้สึกคือใจเท่าแท็กสิงเป็นเจ้าเดือนอยู่แล้วก็มาผิดอะไรกับต้นไม้ภูเขาที่ซึ่งเป็นธาตุสีด่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันที่ผิดจากสิ่งเหล่านั้นก็เนื่องจากใจซึ่งเป็นผู้ครองร่างนี้อยู่รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์ รู้ร้อนรู้หนาวรู้ทุกอย่างคำที่ว่าไม่รู้แล้วเป็นไม่มีสาหรับเรื่องของจิตแต่เราจะปฏิบัติต่อความรู้ที่รู้นั้นด้วยอุบายปัญญาแ ย, ยบคลายขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับความแ ย, ยบคลายอันหนึ่งซึ่งก็เกิดขึ้นจากจิตอีกเหมือกนกันนี่ท่านให้ชื่อว่าปัญญาความฉล า, าดรอบตัว การที่เรานั่งภาวนาเพื่อความสงบของจิตใจนี้ก็คือการคิดบัญชีตัวเองและสั่งสมคุณงามความดีให้มากขึ้นเตรียมพร้อมไว้ที่จะต่อสู้ในวาระสาคัญการนั่งภาวนาการเดินรงกรมการทาคุณงามความดีทุกอย่างแม้จะเป็นการยากการลาบากหรือว่าเป็นความทุกทรมานอยู่บ้างก็ตาม แต่เราควรจะคิดถึงเรื่องความทุกข์ที่มากยิ่ง <c oughs> ยิ่งกว่านี้ซึ่งจะเกิดขึ้นแล้วในเราในอนาคตนันจะเป็นทุกข์ขนาดไหน <c oughs> เราควรจะคิดไว้แล้วเียมพร้อมไหมแม้จะมีความทุกข์ยากลำบากอยู่บ้างก็ทุกข์เพื่อเราไม่ใช่ทุกข์เพื่อใคร การรัก ษ, กษาศีลก็ต้องเป็นทุกคือไม่ทาไม่ได้ทำตามใจหวังเราจะทำอะไรก็มีข้อห้ามมีกฎเกณฑ์บังครับกฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นรั้วกัน้นทางที่จะไปในทางผิดของเรามีก็เป็นความลำบากอันหนึ่งแต่ก็กลายเข้ามาเป็นความเย็นใจสำหรับเราเมื่อรักษาไว้ได้ การอบรมจิตใจเพื่อความสงอบเยือเกเย็นเห็นผลประจักษ์ภายในใจของตัวเองก็ต้องเป็นความทุกข์ความลําบากอยู่บ้างไม่ว่ารายใดต้องเป็นเช่นเดียวกันเพราะคำว่าการกระทําแล้วต้องมีทุกข์แสงอยู่ด้วยกันเท่านั้นภาวนาท่านก็อยู่กับการกระทําเพื่อจะให้เห็นผลต้องมีทุกข์บ้างลําบากบ้างเป็นธรรมดา ความทุกข์ความลําบากถ้าเราจะถือสิ่งเหล่านี้มาเป็นหัวหน้าหรือมาเป็นผู้นําเราแล้วเราก็จะไปตะถึงจุดประสงค์ไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่เคยเห็นลายใดเลยว่าได้ไปถึงจิคดหมรใดเลยว่าได้ไปถึงจิตหมายปราทานหรืสมความมุ่งมา่ปรารถนาเพราะความเหยียดค้านเป็นผู้นํานอกจากความขยันมันเทียนบึกบึน อดคนต่อกิดการที่ชอบซึ่งตนเห็นแล้วว่าจะเป็นผลประโยชน์แก่ตนและส่วนมรวมเ่านั้นแล้วอุตสาพยายามยากก็ทำง่ายก็ทำจะลมบากขนาดไหนก็ทำนี่เป็นทางที่จะนำเราให้พ้นจากทุกเป็นลำบาหลับาบไปไม่ว่าทางโลกทางธรรมคนเกียดติค้านจะทำงานทางโลกก็ไม่พออยู่พอกิน ไปที่ไหนหมู่เพื่อนก็รังเกียจผูเป็นนักบวชเข้ามาบวชในพระศาสนาเป็นคนเจียบค้านก็ทําให้หนักวัดหนักวานักอกหนักใจครูว า, าจาและหมู่เพื่อนตลอดถึงประชาชนที่มาเกี่ยวข้องไม่อยากจะเคาบรบกราบว่าเพราะเห็นผ้าเจียบค้านเห็นได้จริงเป็นเช่นนั้นพ่อนหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าทุกบททุกบาทไม่ปรากฏว่าเกิดขึ้นมาจากความเจียบค้านความม่อนเอ่ แต่เกิดขึ้นมาจากความพยันมหมั่นเพียรทั้งนั้นาสาวกที่ได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันพระองค์ได้ก็เนื่องจากความพยันมหมั่นเพียรเป็นพื้นฐานดีจนถึงจิตหมายปลายทางนล้วไม่มีขณะใดที่ธรรมะจะเกิดขึ้นจากในพระพุทธเจ้าและสาวก เพราะอำนาจแห่งความขี้เกียจขี่คลานความเห็นจะหลับจะนอนความเห็นจะตัวโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลที่จะได้รับความทุกข์ร้อนหรือไม่เมื่อเราเป็นนู่นปิดของพระพุทธเจ้าหนักก็ตามเบาก็ตามคุมมกก็ตามจะลำบาดแค่ไหนก็ตามก็ที่ว่าเราเดินทางหรือตามเสด็จพระพุทธเจ้า ม่เป็นสิ่งที่จะควรให้เกิดความอิ้นหนาหละอาใจเราไปถึงไหนสุดความสามารถแล้วนั่นเราก็ต้องอยู่ที่นั่นผลที่เราจะพึงได้รับซึ่งเกิดขึ้นจากการอิ่งเจนย้นขวายของเราไม่ได้เสื่อมสูญไปไห น, นดังทุกๆุกท่านที่ได้อุตส่าห์มาด้วยความเสียสยละทุกทุกด้กานนี้ จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาและเห็นใจอย่างยิ่งในความอุตส่าห์พยายามทุกทุกด้านการทำทั้งนี้หรือการอุตส่าห์ทั้งนี้ก็เพื่อเราทั้งนั้นหลักของการภาวนาก็เคยได้เรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบ มาหลายครั้งแล้วว่าทำยังไรจริงจะเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นนั่งภาวนาทํำยังไงเวียธนาจริงจะไม่รบกวนนี่เราคงจะมาคิดเพียงแง่ว่าเรานั่งภาวนาเวทนารบกวนเราดูเฉยเฉยเวีนาก็รบกวนเหมือนกันตอนนั้นแต่เราไม่เอาเรื่องกับเขา แต่เราก็มาเอาเรื่องตอนนั่งภาวนาเวทนารกวนนี่รู้สึกว่าจะเป็นอุปสรรคต่อเราตอนนี้ถ้าว่าเบื้องเวทนารกวนเราต้องถือไปว่าเวทนานี้มีอยู่ทุกแห่งทุกหนในกายของเรามีอยู่ทุกเวลาเราจะเดินไปไหนก็ต้องเป็นเวทนามีทุกขเวทนานั่งที่ไหนนั่งนานก็ต้องเป็นทุกขเวทนาทำจิตการงานทุกอย่างทั้งหนักทั้งเบาต้องเป็นทุกขเวทนาทั้งนั้น เวลามันนั่งภาวนาก็ต้องเป็นทุกขเวทนาเหมือนกันให้เราเทียบเพียงออกไปกว้างๆอย่างนี้เราก็จะมีทางนั่งต่อทุกเวทนาให้รู้เรื่องของเวทนาเพื่อผลประโยชน์ที่เราจะให้เกิดขึ้นจากการกระทํารมของหลักถ้าเราจะมาทิศเจาะจงเฉพาะการภาวนาเกิดทุกข์ความเป็นความลําบากอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้ท้อใจไม่อยากนั่งภาวนาคือกลัวทุกข์ก่อนแล้ว เขาเริ่มจะนั่งภาวนาทั้งั้งที่ทุกยังไม่เกิดก็คากันว่าทุกมานั่งอยู่ต่อหน้าเรานี่แหละให้เห็นทุกก่อนนั่งภาวนานีก็ทําความน้อยใจทอดใจให้เราไม่อยากจะทำที่ทุกเราไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องของทุกแต่สนใจกับผลประโยชน์ที่จะพึงได้จากการกระทําของเรามากน้อย เมื่อทุกมากเราก็หยุดได้ค่อนขันสั้นยาวกันไปเพราะเรื่องของขันถ้าเราจะบังคับบัญชาหัโหมจนเกินไปก็ไม่ดีเพราะเป็นเครื่องมือที่เราจะนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เป็นเวลานานหากว่าเรามีความประหยัดและรู้จักประมาณในการใช้ขันของเราก็เช่นเดียวกับเครื่องมือต่างๆที่เรานำม า, ชาใช้เป็นประโยชน์ในบ้านในเรือนของเราห า, าควรจะได้ผล ในขณนะนั้นถึงจะคุกลำบากมากขนาดไหนแต่จะเป็นคติอันหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในเวลานั้นเนี่ยเราก็รีบตักตัวอพอสละเป็นสละตายก็สละในเวลานั้นเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่อันอาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะนั้นหลังนี้เราก็ต้องต่อสู้เพราะการภาวนานั้น หากว่าตบเหมาะเข้าในเวลาใดผลย่อมปรากฏขึ้นมาในเวลานั้นบางบางครั้งก็ไม่นานผลก็ปรากฏขึ้นให้เห็นประจักษ์บางครั้งก็ต่อสู้กันเป็นเวลาหลายชั่วโมงบางครั้งถึงหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงยังต่อสู้กับเวทนาอยู่ ดังไม่ได้ผลอะไรเลยนอกจากเห็นแต่ผลที่เป็นทุกข์ขึ้นมาภายในตัวซึ่งเกี่ยวกับการนั่งมากนั่นเท่านันแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อจิตมีความสามารถอาศานต่อสู้กับเวทนาและสนใจที่จะรู้กับเรื่องกับเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายของเราด้วยสติด้วยปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังแล เรื่องทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดและเป็นเครื่องทับถมจิตใจของเราดีนั้นก็ไม่พลต่อสติกับปัญญาไปมากสามารถจะรู้เรื่องของกันแกันและเวทนาก็ดับลงได้ในปัจุบันนั้นจิตก็รวมลงได้อย่างสนิทเกิดความกล้าหาร การใ่าขึนในหลานั้นนอกจากนั้นยังเป็นคติอันสำคัญที่เราจะถือเอาเป็นเครื่องดำเนินในเวลาต่อไปที่ล่าถึงเรื่องทุกเวทนาอย่างหยาบที่วันหนักมากนี้ เพื่อท่านผู้บำเพ็ญเป็นบางเวลาจะได้ถือเป็นขติในการที่ควรจะต่อสู้กันก็ต้องต่อสู้อย่างนั้นในขณะที่เวทนาได้ดับไปด้วยอำนาจของการพิจารณารู้ชัดนั้น จะเป็นของแปลกประหลาดกว่าเนืธนาที่ดับไปธรมรมดาของตนจิตก็จะเป็นจิตที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์ยิ่นในขณะนั้นเมื่อถอนออกมาแล้วก็ได้ความอาจฐานล่าเลยต่อวิธีดำเนินของตนในการข้างหน้าและเป็นสิ่งที่จะเชื่อมั่นในตนของตน ว่าถึงวาราสุดท้ายพูดง่ายๆก็คือว่าถึงคราวที่เราจะตายจริงๆเรื่องของทุกขเวทนานี่เท่านั้นจะเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในเวลาเช่นนั้นหากว่าเราไม่สามารถจะพิจารณาให้รู้เรื่องของเวทนาเหล่านั้นเพียตั้งแต่บัดนี้หรือเราไม่ สามารถจะพิจารณาให้รู้ล่องรู้ลอยเขาไว้บ้างตั้งแต่บัดนี้ถ้าถึงเวลาเช่นนั้นแล้วเราจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรบ้างนี่เราก็ต้องเสียหลักอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจนี้จึงเพื่อละการต่อสู่เพื่อเอาภัยชนะมาสู่ตนเองหลายทางเหมือนกันทางปัจจุบันก็คือให้รู้ให้เห็นประจักษ์ แล้วเป็นความสงบสุขเยือเกเย็นเห็นผลกระจักขึ้นมาภายในใจของตนนี่อันหนึ่งมาละต่อไปเราก็จะเป็นผู้แน่ใจในคติคือความเป็นไปของเราว่ายังไรก็ไม่ตกตำ่ำเพราะจิตทั้งเราได้อบรมจนตากฏดมีความสงบเยือเกเย็นนี่ ร้าหารต่อเรื่องของทุกขเวทนาที่จะผ่านมาทางหนไม่มีทุกขเวทนาตัวไหนจะเปลี่ยนเตียงัวเองมาพอจะหลอกหลอนให้เราหลงได้ในเวลาจะปาถ้าเราได้รู้ชัดเห็นชัดเขาเสียตั้งแต่ต้นมือด้วยการภาวนาของเรานี่แหละ ดังนั้นพระพุทธายก้าวกว็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีจึงไม่ปรากฏว่าพระองค์ใดได้มีความเหล้วไหลต่อทุกเวทนาในขณะที่พระองค์ท่านแต่มิผ่านนิสาวกทั้งหลายท่านนิผ่านขอปรากฏแต่ว่านิพานไปยังสะดวกสาบายไม่ปรากฏว่าได้ลุ่มหลงต่อเวทนาอะไรเลยมีเนื่องจากท่ทานได้ฝึกฝนอบรม ท่านมาจนทำนิทำนามเนรู้เท่าทันซึ่งเวทนาที่มีอยู่กับกายและกับใจของตนโดยละเอียดแล้วท่านจึงเป็นผู้นอกสมมตุติทั้งๆ ท, ท, ที่อยู่ในขันอันเป็นก้อนแห่งสมมุติเช่นเดียวกับหนักและที่ผ่านขันไปแล้วท่านก็มาอยู่ในวงสมมติ อำนาจหรืออานิสงส์แห่งการอบรมจิตใจต้องเป็นผลเช่นนี้เรื่องการเกิดการตายซึ่งเป็นปัญหาอันใหญ่โตสำหรับเราผู้ซึ่งก็เคยเกิด เ, เคยตายด้วยกันมาก็จะเป็นเรื่องที่เบาบางลงไปเป็นยังไงจนถึงกับว่าสิ้นสงสัยในปัญหาเหล่านี้ โดยถือหลักปัจจุบันของจิตเป็นสักขีพยาว่าหมดแล้วซึ่งเชื่อที่จะให้เกิดต่อไปเชื่อของพบของชาติก็ได้จะสิ่งเชื่อแฝงภายในจิตใจตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ในส่วนละเอียดว่าธรมวิชาปัจจัยธรรมวิชาไม่ใช่ธรรมส่วนใหญ่ เป็นทำส่วนละเอียหมายถึงจิตล้วนล้ว น, นธรรมชาตินั่นแหละที่เป็นเชื้อให้ตากดพบกดตากดาตาดตากฏเป็นรูปร่างกลางตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาให้ให้เราเห็นดีทั่วโลกที่เกิดก็เป็นไปดีทั่วโลกทั้งสัตว์ทั้งบุคคล ตายก็เป็นประวทวโลกทั้งสัตว์ทั้งบุคคลไม่ปิดบังกันได้ในเรื่องเกิดกับตายเพราะอำนาจของอวิชาดวงนี้เองที่เป็นชื่ออันสำคัญแต่ธรรมชาตินี้เราไม่สามารถจะมองเห็นด้วยการนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านตัญญา ต้นควาดูเรื่องที่มีอยู่กับตัวสิ่งภายนอกเราทําไมสามารถมองรู้วิทะรูปุกลงไปหมดรู้ชัดตามเรื่องของเขาที่เป็นที่มีอยู่แต่สิ่งภายในคือเรื่องของใจของเราก็เป็นของมีอยู่เช่นเดียวกันกับสิ่งภายนอกเหล่า น, นั้นทั้งๆก็รู้อยู่ตลอดเวลาทําไมเราจะไม่สามารถรู้เรื่องความเป็นมาเป็นอยู่และเป็นไปของจิต เรียนทุกอย่างเราก็พอจะเรียนจบแต่เรื่องเรียนจิตนี้ทำไมจะเรียนไมจ่จ้ถ้าเราตั้งใจเรียนจริงๆเพราะเรื่องของจิตเป็นเรื่องของเราจิตก็เป็นจิตของเราเรื่องีิเลสตัณหาอาสวะไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดจะนำมาพอกพูนหรือเอามาทิ้งให้เราแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของเราที่ไม่รอบคอบต่อสิ่งอย่างนั้น สิ่งเหล่นั้นก็มีช่องทางที่จะรั่วไหลเข้ามาสิทสิใจของเราได้ใจของเราก็กลายเป็นภาชนะสำหนับที่จะรับรองสิ่งนั้นไหน้ให้เป็นเชื้อและเป็นเครื่องลบกวนคนเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อปัญญาที่พระองค์ท่านสอนไว้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปป ได้นำเข้ามาที่นิติเจ น, นาภายในจิตใจของเาแล้วเราต้องทราบพิธีทางเดินของจักจะไปในทางดีทางชั่วต้องรู้คิดเป็นกิเลสหรือคิดเป็นธรรมะก็รู้คิดเพื่อถอดถอนกิเลสหรือคิดเพื่อทางสมกิเลส ก, ก็รู้ มีละเอียดขนาดไหนปัญญาก็ละเอียดไปตามกันเมื่อสิ่งละเอียดต่อสิ่งละเอียดเข้าถึงกันแล้วมันก็ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจินเป็นพระพุทธเจ้าที่กินทั้งอกสาวกก็เป็นสาวกอรหรันจรินทั้งอกไม่มีปรอมแต่ส่วนในส่น พ อ, อธรรมะของท่านเมื่อเรานํามาปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของส่วนขาตธรรมแล้วเราจะเป็นคนปรอมมาสับที่ไห น, นเพราะธรรมะก็เป็นธรรมะพระพุทธเจกะทุกขสัจคือทุกสมูทัยนิโรธมะดีที่เรียกว่าอายะจักรก็เป็นอนเบียกันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรเจนถึงสมาสมาธิก็เป็นธรรมออกจากพระโอษพระองค์เดียก มาแก้ก็มาแก่กิเลสประเภทเดียวกันผลที่จะพึงได้รับจะเป็นอื่นไปไม่น่าต้องเป็นตายเพื่อความหมดจดทุกข์ได้ดูตัดจะต่างอยู่บ้างก็เพียงช้ากลับไปตามความมุสาพยายามที่ตนทำได้มาก น, อน้อยแม้จะยังไม่ได้หลุดพ้นไปตามพระพุทธเจ้า ผลได้เฉพึงตามสนองเราในพบนั้นๆก็จะเป็นพบชาติที่พึงพอใจด้วยอำนาจแห่งกุสลที่เราได้ก่อร่างสร้างเอาไว้เป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราเช่นเดียวกับต้นผลไม้ที่เด็กคูกเจ้าของนำไปปลูกในพื้นที่อันดิสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยด้วยน้ำ ย่อมจ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วและที่ดอกออกผลให้เป็นที่พึงพอจักผลศีลผลทานผลภาวนาของเราก็ต้องปรากฏขึ้นภายในจิตเช่นนั้นเหมือนกันเังฉะนั้นขอบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย ก็ได้ทำความพยายามปรับปุงตัวของเราให้ได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งอยให้เสียวเวลาที่ผ่านไปผ่านไปผลประโยชน์ที่เราจะเึงได้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้รับเป็นลำดับลำดับไปาตามประโยคพยายามของเาราจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงไท่นี้อือง